สั่งทำกันนะเห็นเพื่อนเป็นมิตรกันจริงๆบอกความเทิดข่มจริงต่อกันทุกวันวิธีวิธีถามความดีก็บอกกันทุกวันวิธีละความชัว่วกบอกกันทุกวันเราก็มีกายมีใจมีวาจา ที่จัดละความชั่วที่จะทำความดีได้จริงจริงมีชีวิตมีที่ว่าใสมีอาหารการกินการฉันมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีแผ่นดินที่เดินไปเดินมามีอากาศหายใจได้ พบเห็นจริงที่ผิดที่ถูกในตัวนอกตัวไม่มีจึงใดที่ปิดบังอำพลางในโลกนี้ ม, มั่นใจมีความมั่นใจหรือมีกายมีใจที่จะละความชั่วที่ทำความดีที่มันเกิดขึ้นมาสิ่งที่ไม่ดี สิ่งควรไม่ดีเกิดขึ้นจะิด้ละสิ่งดีที่เอามองเห็นจะได้ทำามดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ละความชั่วยเด๋วนี้ก็ละได้เดี๋ยวนี้มั่นใจในการมีชีวิตมั่นใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่น ปฏิบัติตามจริงๆไม่ท่ถอยเอาเป็นนิมิตธงชัยเอาเป็นแบบฉบับฝึกตนสอนตนวิธีฝึกก็มีวิชากรรมฐานนีสติที่เป็นเกณฑ์ขี้วัดไปในกายในใจตั้งไว้ ก็ทำได้จริงๆเอากายเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวเอาจิตเอาใจเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวก็ทำได้อา จ, จะได้ทุกทุ ก, ทกวินาทีฝึกหัดตนสอนตนอย่าให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องมาตั้งอยู่ที่กายที่ใจ แม่หมันจะเคยมาตั้งอยู่แล้ว <c oughs> มีในกายในใจบ้างแล้วที่เราใชา้ชีวิตผิดพลาดมาก็สามารถทำได้เปลี่ยนได้ไม่มีอุปกรณ์อันใดที่มันจะมาละความชั่วทำความดีที่มีอยู่ในกายในใจมิจฉาสติเท่านั้นวางลงไปรู้ลงไป เป็ีใยนได้ไม่ดีลู้หลงไปให้เปลี่ยนเป็นความลู่สิบตัวการทำความดีทำอย่างนี้การล้วความชั่วทำอย่างนี้มันหลงกดรลู้ขึ้นมามันสุข ก, กดรลู้ขึ้นมามันทุกข์กดรลู้ขึ้นมามันโกรธกดรลู้ขึ้นมามันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาลูสิบตัวขึ้นมาอย่างนี้วิธีทม อยาไปหาคำตอบจากความคิดเอาเหตุเอาผลอ๋อสติเท่านั้นเป็นเจนชที่วัดตัดสินใจด้วยความถูกต้องอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นมากมายแนวร่วมเกิดขึ้นเดินจนมันหลงเห็นมันหลง ไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงทำอย่างนี้ก็เกิดลวความชั่วทำความดีเอดจิตทำให้จิตบริสุทธิ์เกิเป็นศีลเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ไปขอใครศีลสมาธิปัญญาเป็นไตรจิคา อยู่ในการกระทำอย่างนี้มาเกิดศีลขึ้นมาสมาธิขึ้นมาปัญญาขึ้นมาก็เกิดแนวร่วมพลังร่วมขึ้นมาละความช่วยทาความดีจะง่ายขึ้นศีลช่วยสมาธิช่วยปัญญาช่วยก็เกิดความสะดวกขึ้นในการทําความดี บางทีก็มีอันในสูงเกิดขึ้นเป็นเช่นลายสัมผัสได้กับชีวิตของผู้ที่ทำอย่างนี้สัมผัสได้ตัดสินใจได้ควมเท็จความจริงความหลงไม่จริงควมไม่หลงมันจริงคือความรู้สึกตัวนี้ควมทุกข์ไม่จริง ผมรู้สึกตัวนี่จริงไม่ทุกข์นี่มันง่ายอย่างนี้ทำไมจะทำไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นสมบูรณ์แบบเป็นรอยอยู่วัดปาสุขโตสุขตะสุขโตบุคคลคือกายคือใจนี่ กายก็ยทำดีใจก็คิดดีวาจา ก, ก็พูดดีมีสติไม่เบียดเบนตนไม่เบีบเบียนคนอื่นจึงอื่นว่าตัวอื่นไม่เอากายเอาจิตมาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ออเอากาเอาใจมาทําให้ตัวเงเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ออเอากาเอาใจไปทําให้คนอื่นจึงอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษปลดี อยู่ดีมาดีถ้าทำแบบนี้ก็ถือว่าสุขโตบุคคลไม่ใช่ป้ายวัดตัวในกอดในใจเรานี้มีสติก็เป็นสุกติเป็นสุกติบุคคลสุขโตก็ะอะไรเกิดขึ้นมาวันทุกมีสติเนี่ยสุกโตเกิดขึ้นในชีวิตเรา ละความชั่วแล้วทําความดีแล้วไปดีแล้วก็ทุกข์กันทุกข์ยังไปไม่ดีควมทุกข์จดตามไปยิงในกายในใจก็จัดแดงที่ความทุกข์ทให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนเง่นเดือดร้อนเราก็มั่นใจอย่างนี้สุก็โตบุคคลสุก็โตคือชีวิต ที่เราทำได้สัมผันได้เอาคุณธรรมมาเป็นจุกโตไม่ใช่ป้ายวัดสถาบันคือมันขนาดนี่ยิ่งใหญ่เป็นหลักเป็นฐานศึกษาเรื่องนี้ให้จบสติเป็นนักศึกษาใจใจเป็นหลักสูตรจบจริง เรียนจบจริงๆไม่ใช่ทุกข์จนตายไม่ใช่หลงจนตายมีประโยชน์อะไรควมหลงความทุกข์ก็ยกตนขึ้นมาปฏิบัติการละความชั่วทำความดีนอนอยู่ก็าลาได้นั่งอยู่ก็าลาได้เดินอยู่ก็าลาได้ในทุกทุกอริยตท วางความชั่วทำความดีไม่หนักไม่ต้องปากรเรารู้เชิตัวอย่างนี้เป็นเครื่องมือละความชั่วทำความดีแต่ต้องประกอบขึ้นมาให้มันมีโดย ว, วิชากรรมฐาน ไม่ใช่เลขออ่อนวอนสวดมวดนตสวดพรแปริเมตตาเป็นไทโนกมันก็คงไม่ถึงทํามธรอมใจเข้าไปมีแล้วจึงพูดออกมาว่าออกมากทั้งหลอยที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจริญตายด้วยกันทั้งหมดั้งสิน้น จะได้มีเวีนต่อกันและกันเลยทำได้แล้วไม่ทำให้คนอื่นระลอนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ผูกเว้นผูกพายบาทกับใครวางลงแล้วนอนแล้วเย็นแล้วเวีนภายที่ทำให้เกิดเองเดือดร้อนคนอื่นระลอนเย็นลงแล้วไม่มีทิศมีไปแล้วให้พายบาทผูกอาฆาตกับครเย็นลงแล้ว จึงว่าออกไหวถึงใจไม่ใช่ว่าจะปาวว่าสวดมวนต่อยพระอ้อนวอนไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็เผื่อเผื่อกันบ้างก็ทำไปเป็นพ่วงไปดึงกันไป หัืนน้ำไหลหลากหัวน้ำในน้อยก็ดึงขยะไปได้น้อยถ้าหัวน้ำ ม, มากมากก็ดึงไปได้มากคนดีคนเลืความชั่วทำความดีอาจจะดึงคน่ีได้บ้าแม้เราก็ยังถูกพระธรรมความสอนดึงเราได้มองเห็นได้ไงพระพุทธเจ้า เป็นแบบฉบับคือเป็นธรรมไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนพุทธะคือภาวะที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเราตถาคตผู้นั้นคือผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมคือผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้น ต่อเนื่องกันเพราะไม่หลงเพราะไม่มีสติมันจึงหลงทำไมไม่มีสติเพราะไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบเพราะไม่ขยันหมันเพียรไม่ควมเพียรแล้วก็มีเหตุต่อเนื่องกันไม่ใช่หลงคือตัวเราหลงเหตุที่หลงมันมีคือไม่รู้จึกตัวทำไมทุก ทูกมันเป็นขนของความหลงอดทนเรามันใช่ไม่ได้เราต้องมีเหตุมันหาเหตุที่มันแก้ที่เหตุเห็นทุกเราเห็นแล้วเห็น เหตุที่เกิดจากทุกแล้วเลยล้อเหตุท่านไลยแล้วลาะใดแล้วเหตุที่ทําให้เกิดทุกละใดแล้วทําไดแล้วเห็นแล้วแก้งแล้วทําได้แล้วทํำไมแก้งได้แล้วไม่มืดวทธิปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาแล้วมาสวมเห็น ชอบเกิดขึ้นผมหลงไม่ถูกต้องเห็นชอบผมไม่หลงถูกต้องเห็นชอบจะได้ลุ่งมล้นของเสงเงินแสงทองเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเห็นการกระทำเห็นกรรมที่มันจาแนกไปเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายอกุศล กูสอนกูตรงกันข้ามกูสอนว่าตรงกันข้ามสามารถจะได้เห็นของเป็นคู่เห็นความหลงเห็นควาไม่หลงเห็นความทุกข์มองความไม่ทุกข์ก็ ไ, กไปเป็น คนแล้วฟังอย่างนี้งองอย่างนี้เราจะเห็นอย่างนี้แล้องมักคาว่า ท, ที่เห็นนี่เป็นมักก็ผ่านได้ก <c oughs> <c oughs> ารทำอยู่ในระหว่าปฏิบัติแล้วก็หลุดออกไปกระาษที่ทำมา น, มนี้อะไรมันหลุดออกไป มันก็ทำได้ผ่านได้เอาไว้หลังมันก็เป็นโกบเั็นกำเป็นมรรคเนวนเกิดขึ้นตัวมันเห็นจุดที่มันเกิดขึ้นมาเหตุเห็นปัจจัยของมันว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้ไม่มีสี่นี้ก็ไม่มี ถ้าไม่หลงกลมทุกกลมโกลมอะไรต่างๆก็ไม่มีถ้าหลงกงมีอะไรเกิดขึ้นมามองเห็นตั้งสองฝั่งาการมองเห็นวั้สองฝั่งคือเป็นกลางและเป็นมรรคเลยมรรคไปใช่ไปท่องจอมอยู่ในชีวิตของเรานี่ ก็อะไรก็ผ่านได้ง่ายก็มองทะลุไปทุกถึงทุกอย่างในโลกนี้เความเกิดเห็นความเจรินความเจ็บเห็นความตายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นรูปที่มันเป็นอันหนึ่งที่มันเป็นสัมมลักษณะเห็นแบบการเห็นอย่างนี้ ไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นด้วยสติปัญญาที่ว่าญาณปัญญาปัญญาญาณวิปาาัสยานก็ล่วงพ้นจากภาวะเก่าๆตอนมาเห็นเหรอถูกทับถมแนละ้วตอเห็นแล้วไม่มีอะไรทับถมได้ยิ่งใหญ่เห็นไม่เป็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าให้สิ่งที่เห็น ทับมจูงไปดึงไปก็สู่ธรร ม, มะทําให้เกิดการหลุดพ้นขึ้นมามีอยู่ในคนนี่ไม่ใช่ตาตอ ม, มเพ่งขมเพ่งทัด มีสติมันทำไมพอดีพอดีวังวางหยุดจุดเ ย, ย็นเยน็นชีวิตปกติ <c oughs> ด้อยความปกติเกิดขึ้นทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาไในผิดไม่เพี้ยนเพราะภาวาที่ปฏิบัติทำาม้อยู่ในปกติไม่พูไม่แฝก ม, มาตรฐาน ก็คือสินนั่นแหละสินจิตขันมันก็ก้อนหินศิลาะสินคือศิลาก้อนหินที่ไม่ปิวไปกับเลยง่ายไม่เหมือนข้าวลีบไม่เหมือนนุ่นตู้มีสินเหมือนก้อนหินผู้ไม่มีสินก็เหมือนนุ่นเติวง่ายไปทางตาทางหูชูบลิ้นกายใจ ไม่มีหลักมใจก็พึ่งใจไม่ได้มีกายก็พึ่งกายไม่ได้ส่วนมากจะเป็นเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์เอากายเอาใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์แทนที่จะมาเอากายเป็นเครื่องเกิดสติปัญญามันมีอะไรเชื่อไม่เกิดสติปัญญามากมาย ในการในใจนี้ถ้าเราศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาก็ดงแหงขวามหลงดงเป็นดงเป็นปา่อาอวิชชาเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นครบชาติเกิดขึ้นมืดบอดตายเห็นลูกกูพอใจไม่พอใจดงแล้วหูดีเห็นเสียงพอใจไม่พอใจ จะหมกด้ตินก็พอใจไม่พอใจลิ้นได้ลดกายสัมปัติใจคิดเกิดดงเกิดป่า้นมหาวิช า, าวิชาลบลูกทาไปดึงไปมาเข้าดวงเข้าป่าเมื่อมีคว่าหมายลูกเกิดสดล่เกิ ด, ด, กดพิดภัยขึ้นมาเหมือนบาเป็นดุเพราะวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดนามลูก นามรูปปิดใจดจะดะอนญาชนะเกิดผัสสะเวทาต่าประทานภพชาติจนาโม น, านะไปเกิดตับเกิดดับเกิดดับเป็นพบเป็นชาติในอวิชามากภพมากชาติเบียนว่าตายเกิดเกิดดับในภพในชาติต่างๆก็มากไปด้วยความเมืม่อจริงก็อยู่ในภูมิของเปิดสุก่กายชนโลกตึงฌาน มันทำมันน่ากลัวมากนะแล้วเราไม่ศึกษาคชื้อของเรานี่เกิดมาเพื่อลอบเวรลอบกรรมตัดกรรมไม่เป็นแล้วจุกก็จุกทุบกดกดก็โกดไปผมโกดก็อันเก่าโกดทีท่ใดก็เดือดร้อนตกทีทุกที่ใดก็เดือดร้อนทุกที แต่ทั้งทั้งนี้ไม่มีอะไรเป็นอาการที่เกิดกับปิดกับป้ายกับใจเท่านั้นเองแต่มันก็มีอำนาจทําชั่วได้สําเรลยตอนคนอื่นเดือดร้อนจึงอื่นเดือดร้อนจิบหอยโลกก็จิบหายได้ความโกรธความทุกข์อยู่ในกายในใจของคนโลกก็เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อน หน้ากวัวเราไม่เห็นเราเห็นสงสารกายสงสารใจสงสารลูกสงสารนามที่ไม่ไปเคยช่วยเหลือไม่มีสตีเหมือนกับพ่อกับแม่ช่วยลูกปล่อยเที่งไม่ได้เป็นอุปการและคนพระเจ้าเปรียบเพียบเหมือนกับบิดามารดาของลูกตักคน วยไม่ได้ปล่อยกายปล่อยใจทิ้งเลไม่ต้องเดียกร้องอ้อนวอนพ่อแม่ไม่ได้ให้ลูก อ, อ้อน้อนขอร้องช่วยทันทีเหล่ที่เป็นทุกข์เป็นโทษรีบทันทีไวมาไวพ่อแม่วาไวกว่าคนอื่นระหว่างลูกน้อยไม่รู้เลียงสาอ ตาของแม่ของพ่อดูแลตุดเวลามาไหวเพราะแม่มาไหวสติก็มาไหวๆเหมือนกันกับพ่อกับแม่มาดูแลกายใจแต่ช่วยก็เป็นงานชอบกันว่าเกิดความภาพแปลงนกับความขยอนในกายเมื่อใจนี้สติช่วยแล้วก็ปลอดภยัย ไม่มีภยัยต่ช่วย้าดีกำลังน้อยก็ช่วยได้น้อยอาจจะมีภัย่าถ้าดีมากก็จะหมดภยัยละเป็นธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ตกไปในที่ชั่ว คือสติที่เป็นคุณธรรมเป็นกายเป็นฉินเป็ น, ป น, ปนสมาธิเป็ น, น, นปัญญาฉินก็รักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาการรักษาใจเรียบร้อยนี่เราเป็นความป่าเถื่อนถ้ า, าไม่มีสติ ทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายแล้วคนนี้จติติจะทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากมากที่สุดเลยกลมขืนตัวเองนี่โอ้ยมากที่สุดเลยแล้วให้ทุกข์ให้โกรธนี่มันกลมขืนตัวเองลวงพ่อเองเป็นบาปเกิดขึ้นในตัวเองก่อนแล้ทำให้คนอื่ น, น เ, เป็นบาปทุกข์เปิดร้อน คนที่เห็นเรื่องนี้มันจะทําความช่วยไม่ได้เด็ดขาดนี่แต่คิดจะช่วยช่วยตัวเองได้ก็รู้จักช่วยคนอื่นแต่ช่วยเจงไม่เป็นก็ช่วยคนอื่นไม่เป็นเทำไมคนอื่นไปทุกข์เดือดร้อนด้วยคนพร้อมอยู่ในหมู่บันฑิตร้อยคนพันคน คนผ่านอยู่ได้หมู่คนเดียวก่อนจะไม่บัณฑิตแต่รอนา น, นแต่บัณฑิตจะไปอยู่ในกลุ่มคนผ่านก็ไม่ได้ แ, แส ด, แดงในจังหาราชีของคนผ่านไหมว่าแนอกจากมีปัญญาเอาตัวรอดคนผ่านจะมาเป็นจังหาราชีกลุ่มบัณฑิตก็ไม่ได้ กลกลเทสะบางทีความจริงกับพูดกับไม่ได้อันตรายในหลักของศิลของธรรมเป็นควรจะไม่สถานที่เป็นสรานการณ์ขึ้นมาเพื่อพูดความจริง ว, ว่าวางไปะถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งชื่อว่าสุกตัวหรือมันก็ อ, อยู่ที่นี่ก็ต้องมีสิทธิทพูดอย่างนี้ก็โกรธไม่ถูกต้องไม่มีสินทุกสินเดือดร้อนขี้โทษที่พูดนี่มาเดยพูดว่าใครพูดว่าตัวเองแล้วก็เหมือนกันหมดทุกคนคนเรา ก็เหมือนกันทุกข์ก็เหมือนกันหลงก็เหมือนกันเกิดเจ็เจ็บตายเหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเราทําไมจึงจะไห่ลู่ไม่ใช่หาคําพูดมาจากตัวอือ่นอยู่ในตัวเราทุกคนมีอยู่แล้วความหลงมีอยู่แล้วความโกรธก็งงมีอยู่ความทุกข์มีอยู่เปลี่ยนความหลงป็นควมไม่หลงมันก็ทำได้ทุกชีวิตเนี่ยมีสติเนี่ย ประกอบึ้นบางให้รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกยกมือเข้ามาลู้สึกเคลื่อนออกรู้สึกออกู้ฉันเข้าเหยื่อฉันออกรู้สึกเดินไปข้างหน้ารู้สึกเคลื่อนไหวไ้มารู้สึกทำได้เราหัดอย่างนี้ในชีวิตหายใจอยู่นี่นั่งอยู่นี่เดินเห็นกันทุกวันอยู่นี่มี สุกโตก็อยู่นี่จริงๆวันที่จะอาไ้ตัวเองมาอยู่สุกโตแล้วปอยให้ทุกข์ให้โทษให้คิดิตงปังหาข้อบง่งอิไม่แต่ละความยั่วทำความดีแล้วจึงเอาสิ่งแวดล้อมเพื่อนมิตรสิ่งแวดลอ้อมวิวัฒนสาย ปรีวิเวกอยู่ลำพังคนเดียวให้เบียดฉละปลดปล่อยกันอย่าเบียดเบียนให้เป็นทาตเป็นคนรับใช้ให้เป็นอิสระ ถ, ถึงเวลากินก็ไปกินเดีเวลากลับก็กลับทำปิดจวับให้ดีเพื่อหลอ่อหลอมมีระเบียบวิ น, นัย เป็นขอบเขตเป็นพิมพ์หล่อพวกเราขึ้นมาเหมือนกับเช่นได้ลอยดอกไม้ลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างไม่เฉยๆขอหนนดอกไม้ต่างต้นต่างลักษณะเอาเช่นได้ลอยเขาหากันกลายเป็นพวงมาลอยเป็นอันเดียวกันนดน้ําเม่าขึ้นเราก็มาจากทุกที่ทุกทางมาอยู่ที่นี่อยู่กับตัวที่นี่ เหนดอกไม้ต่างต้นมาอยู่ให้กรอบในเฉดในระเบียบวินัยก็เป็นคนคนเดียวกันมีสตรีเส้นได้เถอะนี่นี่ก็มาถานแล้วกันกับลูกเชิดตัวอยู่แล้วเรากำลังเล่าความยั่วยอยู่แล้วกำลังทําความดียอยู่แล้วนี่คือเส้นได้ไม่ไจะไปบอกกันช่วยกันไปได้ เช่นได้คือทำมาเป็นไหนทํำนี่เป็นเช่นได้วิไนขึ้นนําไปวิเศษวิไนําไปสู่ความดีความวิเศษความหลงไม่วิเศษความไม่หลงวิเศษนําไปแล้ววิไยไปแล้วเกิดกันแล้วความโกรธไม่วิเศษความไม่โกรธวิเศษนี่คือทำมาเป็นไหจงปฏิบัติตามทำเป็นไหนนั่นเถิดพระเจ้าว่าอย่างนี้ตัดอย่างนี้ จงเป็นภิกษุมเถิดปฏิบัติตรรมทำไม่ไหนนั่นเถิดให้เป็นที่ชื่นทุกเถิดความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงไปไม่ไหนปฏิบัติไปนั่นเถิดจะไม่หลงความโกรธไม่เป็นธรรมความรู้จักตัวเป็นธรรมไปไม่ไหนจะไม่ได้ทุกข์อีกให้เป็นชี้ชื่นทุกข์อีกพระเจ้าตรัสอย่างนี้ให้กลุ่มบุตรผู้มีศรัทธาออกวดัด ไม่ใช่ใครช่วยเราได้ไมีทาไม้ไหนอยู่ในตัวท่านเองประกอบขึ้นมาไม่ได้ขขไม่ได้บังคับมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีปัญญาประกอบึ้นมาอย่าให้ขาดแขนอย่าอ่อนเอออย่าขี้เกียจขี้ข้านล อ, องสังเกตเฉยเวลาแนละ้วขอบพระคุณ